เรื่องพ่อค้าเกวียน231สมัยนั้นพ่อค้าเกวียนกลุ่มหนึ่งต้องการจัดเดินทางจากกรุงราชคฤห์ไปถิ่นย้อนแสงภิกษุผู้ถือเที่ยวบินธบาตรรูปหนึ่งเข้าไปเที่ยวบินธบาตรถึงหมู่เกวียนอุบาสกคนหนึ่งได้ถวายข้าวตูแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นได้ออกไปบอกภิกษุรูปอื่นอุบาสกได้ถวายข้าวตูแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นได้ออกไปบอกภิกษุรูปอื่น อุบาสกได้ให้ถวายข้าวตูแม้แก่ภิกษุรูปนั้นจนกระทั่งสเสบียงที่จัดไว้หมดสิ้นไปครั้งนั้นอุบาสกนั้นได้กล่าวกับพวกพ่อค้าดังนี้ว่าวันนี้พวกท่านโปรดร อ, อก่อนสเสบียงที่จัดเตรียมไว้กระผมถวายพระคุณเจ้าทั้งหลายไปแล้วกระผมจะจัดเตรียมสเสบียงพวกพ่อค้าเกวียนกล่าวว่าท่านครับพวกเราไม่สามารถจะรอได้พ่อค้าเกวียนออกเดินทางแล้วได้ไปแล้ว เมื่ออุบาสกจัดเตรียมสเสบียงเสร็จแล้วเดินทางไปภายหลังจึงถูกพวกโจรปล้นพวกพ่อค้าพากันตําหนิประนามโพร น, นาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายสกฤตยบุตรจึงรับโดยไม่รู้ประมาณอุบาสกคนนี้ซึ่งเมื่อถวายเสเบียงแก่พระสมณะเชื้อสายสกฤตยบุตรเหล่านี้แล้วเดินทางไปในภายหลังได้ถูกโจรปล้นพวกพิสูจ์ได้ยินพวกพ่อค้าตําหนิประนามโพท น, นา